ห้องสมุดหลังไมโดยรัสมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมนะคะพักจิตพักใจพาไปเที่ยวจิตตะนครนครที่สำคัญที่สุดในโลก ละครที่เกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์ของเราโดยตรงนะคะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญายกค่ะดิฉันรัศมีมณีนินถ่ายทอดให้คุณได้ฟังสําหรับวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่9แล้วค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่พูดถึงอุปมาห้าข้อนะคะอุปมาที่หมายถึงการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบคนที่พ้นไปจากอำนาจของนิวรณ์ว่ามีสภาวะที่น่ายินดีเปรียบได้กับสภาวะห้าสภาวะตอนนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายคู่บารมีกําลังได้เปรียบนะคะได้เปรียบฝ่ายสมุ ท, ทยัยเพราะว่าได้นําพายโนิโสมนานสิการ แล้วก็เรื่องของสติเพื่อที่จะชี้ให้เจ้าผู้ครองนครจิตตนาคนครเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการบำเพ็ญจิตตะภาวนาแล้วก็จะมีผลทำให้ฝ่ายสมุททยเกิดอาการซบเศร้าแพ้ท่าแต่แน่นอนคะ่ะสมุททยไม่ยอมแพ้ง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ติดตามกันต่อเลยนะคะว่างานนี้สมูทัยจะแก้เกมอย่างไรและฝ่ายคู่บา ร, รมีจะชนะแน่แล้วหรือติดตามได้กับจิตตะนะครกับการต่อสู้ฟาดฟันระหว่างคู่บา ร, รมีกับสมูทยัยจิตตะนะครตอนที่9ค่ะวิธีกิจช้าความลังเลสงสัยไม่แน่นอน ได้หนีห่างออกไปเช่นเดียวกับที่กามาฉันความยินดีพอใจยินดีในกามพยาบาทความพยาบาทมุ่งร้ายทีนมิทะความง่วงงุนเครือบเคลมและอุท ธ, ธะ ก, กุกุ จ, จะความฟุ้งซ่านราคาญก็ได้ถอยห่างออกไปก่อนแล้วเมื่อปราศจากนิวรณ์ทั้ง5นครสามีก็มีจิตใจที่ปราศจากความยินดีในสิ่งล่อใจให้ยินดีทั้งหลาย มีจิตไม่มุ่งร้ายมีแต่ความเอ็นดูปรารถนาเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงไม่มีความง่วงเหงามีใจสว่างประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในหมดความสงสัยลังเลใจฝ่ายคู่บา ร, รมีเห็นเช่นนั้นจึงรีบฉายภาพเปรียบเทียบเพื่อฟอกจิตของนครสามีให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นภาพแรก เป็นภาพของชายผู้หนึ่งซึ่งกู้หนี้เขามาประกอบการงานการงานของเขาสำเร็จผลเป็นอย่างดีใช้หนี้เก่าได้หมดสิ้นแล้วยังเหลือเพื่อบำรุงเลี้ยงครอบครัวเขาดู้สึกตัวว่าหมดหนี้สินยังมีทรัพย์เหลือสำหรับจับใจ่ายใช้สอยจึงเกิดความบันเทิงใจความโสมนัสยินดีภาพที่สองเป็นภาพของชายผู้หนึ่งที่ป่วยหนักมีทุกขเวทนาแรงกล้า กินไม่ได้อ่อนโบร่โอยรวยแรงจนแทบจะสิ้นกำลังกายแต่ก็ได้หายป่วยในเวลาต่อมากลับมาบริโภคอาหารได้กำลังกายกลับคืนมาเขานึกถึงว่าเมื่อก่อนนี้ป่วยหนักแต่บัดนี้หายป่วยบริโภคได้กลับมามีกาลังเป็นปกติได้ความบันเทิงใจความสมมนักภาพที่สามเป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งถูกจองจำในเรือนจำ ต่อมาพ้นจากเรือนจำโดยสวัสดีไม่มีภัยทั้งโพคซั์อะไรก็ไม่ได้เสื่อมเสียเขานึกถึงเรื่องที่ถูกจองจาเรื่อยมาจนกระทั่งพ้นจากเรือนจำโดยที่ไม่มีภัยอันตรายและก็ไม่ขัดสนจนรับก็ได้ความบันเทิงใจความสมานัก 4. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งเป็นทาสของเขาตนไม่เป็นใหญ่เป็นนายของตนคือ เป็นทาสไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ต้องมีคนอื่นเป็นใหญ่เป็นนายจะไปข้างไหนตามปรารถนาก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสกลับมาเป็นใหญ่แก่ตนไม่ต้องมีคนอื่นเป็นนายจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจปรารถนาเขาคิดขึ้นมาว่าเมื่อก่อนนี้เป็นทาสไม่เป็นอิสระแก่ตนแต่บัดนี้พ้นจากความเป็นทาสเป็นอิสระแก่ตนแล้ว ก็ได้ความบันเทิงใจความสมานักภาพที่5เป็นภาพของบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนมีทรัพย์เดินทางไกลที่กันดานแต่ก็เดินทางผ่านไปได้โดยปลอดภัยทรัพย์สินก็ไม่เสียหายเขานึกถึงเรื่องการเดินทางไกลที่กันดานซึ่งผ่านพ้นออกไปได้โดยสวัสดีไม่มีภัยถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินก็ได้ความบันเทิงใจความสมมนัก นี่เป็นการเปรียบเทียบของจิตใจหลังจากที่ได้ทำจิตภาวนาที่เหมือนกับคนซึ่งหมดหนี้หมดสินคนที่เคยเจ็บป่วยแล้วก็หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เคยถูกขังกลับมาเป็นอิสระคนที่เคยเป็นทาตุกลับมาเป็นไทย คนที่เคยเดินทางไกลในที่กันดานแต่ก็เดินทางผ่านมาได้ด้วยความปลอดภัยฟาโยนิโสมานัสิการก็ได้กล่าวประกอบว่านิวร์ทั้งห้านี้ก็เหมือนอย่างการพ้นจากหนี้พ้นจากโรคพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นทาสมีความเป็นไทยแก่ตนพ้นจากทางกันดาน และได้บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษมเมื่อนครสามีมองเห็นภาพดังกล่าวก็ชัดเจนละค่ะว่าจิตใจที่กรัดกรุ้มอยู่ด้วยนิวรณ์ห้าเมื่อสงบซะได้ก็เหมือนกับคนพ้นหนี้พ้นโทษหายโรคเป็นไทยแก่ตนผ่านพ้นทางกันดารมาถึงทางที่มีความสุขก็เกิดความสุขใจ ติปราโมทคู่บา ร, รมีเห็นว่าสมควรที่จะปล่อยให้พิจารณาทบทวนแล้วก็พักสงบอยู่ตามลําพังจึงปล่อยให้นครสามีอยู่ตามลําพังฝ่ายนาครสามีก็ได้สงบเพ่งดูจิตที่สงบและความสุขอันประณีตเกิดความรู้ผุดขึ้นมาเองว่าสุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบเป็นไม่มี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 บังเกิดปิติประโมทซาบซ่านทั้งกายและใจได้สงบอยู่กับความสุขที่ประนีตซึ่งไม่เคยได้พบมาเป็นเวลานางจากนั้นก็ได้เข้าที่พักนอนหลับอย่างสนิทซึ่งแต่ก่อนนี้ก่อนนอนเจ้าผู้ครองนครมักจะปรึกษาหารือเรื่องราวต่างๆกับโมโนบนเตียงบันทม ไม่เป็นอันหลับอันนอนจริงๆมโนก็จะเสนอแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ต่างๆเพราะว่าเจ้าผู้ครองนคร น, นั้นชอบเรียกมโนมาเสนอเรื่องต่างๆในเวลาที่ควรจะพักผ่อนมโนก็พลอยไม่ได้พักไปด้วยแต่ครั้งนี้ไม่ได้เรียกมโนเข้ามามาโนก็พลอยได้พักผ่อนเป็นสุขไปด้วยฝ่ายสมุ ท, ทยัยที่คอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ เห็นรูปการแปลเปลี่ยนไปในทางเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายประปักก็เสียใจนางเศราอยู่ที่ทางสี่แพร่งของจิตตานะครคู่อาสวะมาเจอเข้าก็ปลอบโยนบอกว่าทำไมถึงหลบมานั่งเสียใจไม่เป็นประโยชน์อะไรความจริงคู่อาสวะกับสมุทไทยได้ช่วยกันสะสมกาลังซ่อนอยู่อีกมากมายคู่บารมีเพิ่งจะนาพักพวกเข้ามากำลังคงไม่กล้าแข็งนักหรอก ถึงแม้จะเข้าถึงจิตใจของนครสามีจนถึงก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของนครสามีให้หันไปนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมครูของคู่บา ร, รมีกับพักพวกได้แต่พวกเราเนี่ยมีอุบายแล้วก็เหตุผลที่จะไปพูดจาหวานล้อมชักนำใจของนครสามีให้กลับมาอีกถ้ามัวแต่นั่งเศร้าอยู่อย่างนี้ก็เท่ากับเราเนี่ยยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นตัวศัตรูเพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นมา หารือกันถึงวิธีที่จะต่อสู้แก้ไขสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่นี้ดีกว่าสมุทัยฟังเตือนจริงได้ความคิดหารือกับคู่อาสวะถึงวิธีที่จะต่อสู้กับคู่บา ร, รมีต่อไปจากเรื่องนี้ก็จะพอมองเห็นได้ว่าอันความไม่ดีนะั้นมีหลายแบบหลายอย่างทั้งแบบที่เปิดเผยซ่อนเร้นคือแบบที่แสดงตัวแบบที่ปลอมแปลง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบจึงจะสามารถพาจิตใจให้พ้นจากภัยของความชั่วร้ายได้จริงๆแล้วการที่สมุไทยกับคู่อาสวะได้สังสมกำลังมาช้านานนั้นก็ถือว่าเป็นความจริงสามารถจะใช้คำว่าซ่องสุมได้เพราะว่ากำลังของสมุไทยมีแทรกแซงอยู่ทุกแห่งตั้งแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอกของจิตตานคร แล้วก็ยังได้จัดกำลังคุมชาวจิตตานครเอาไว้ทุกคนดังที่เคยกล่าวว่ามีกิเลส1 5 0หตันหาร้อยแปดเยอะมากคู่อาสะวะเองก็มีกำลังซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกซึ้งแล้วก็ยังมีสหายอย่างเช่นอนุัยเป็นต้นซึ่งยังไม่ได้แสดงกำลังอำนาจแต่ประการใดเพราะว่ายังไม่ถึงคราวที่จะออกแสดงเองแม้เมื่อคู่บารมีนานิมิตต่าง พร้อมด้วยยูนิโสมณสิการเข้าไปแสดงมีผลถึงกับเปลี่ยนฮะไทยนะครสามีให้เลื่อมใสายศรัทธาในองค์พระบร ม, มครูเป็นอย่างมากครูอาสวะก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกต่อต้านด้วยตนเองเพียงแต่ส่งมือชั้นรองไปต่อต้านแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วหลังจากที่ทั้งสองคือครูอาสวะกับสามูทไทยได้หารือกันอย่างรอบคอบแล้วก็ได้ดําเนินการวิธีต่อสู้ในทันที ฝ่ายนครสามีตื่นขึ้นมาด้วยความสุขสดชื่นเพราะได้หลับอย่างสนิท ต, ตื่นขึ้นมาเห็นว่ามีผู้มาเฝ้าสามคนจึงถามว่าทั้งสามเป็นใครชื่ออะไรทั้งสามตอบว่าชื่อสุขมาจากตำบล น, นิรโรคคือการไม่มีโรคอีกคนบอกว่าชื่อสดมาจากตำบลนิรชนคือไม่แก่อีกคนบอกว่ า, ช, า, า, นน ช, วาชื่อชื่น มาจากตำบลนิรมรนคือไม่ตายทั้งสามมาจากสามตำบลซึ่งมีที่อยู่ในจิตตานครนี้เองทั้งสามได้กราบทูลว่าข้าพเจ้าทั้งสามมีใช่เพียงแต่ชื่ออย่างนี้เท่านั้นแต่มีสุขสดชื่นจริงๆด้วยเพราะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใครๆที่อยู่ในตำบลทั้งสามนี้ล้วนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งนั้นเมื่อไม่แก่ จึงสดอยู่เสมอไม่เจ็บจึงสุขอยู่เสมอไม่ตายจึงชื่นอยู่เสมอและเมื่อข้าพเจ้าทั้งสามไปอยู่กับผู้ใดก็จะทำให้ผู้นั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีสุขสดชื่นไปด้วยฝ่ายนครสามีก็ถามว่าในเมื่อทั้งสามมาอยู่กับนครสามีดังนี้นครสามีก็เป็นผู้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นหรือทั้งสามก็ก่าวรับรอง ทำให้นครสามีเกิดความปิติยินดีว่าแหมช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้พบกับคณะบุคคลผู้นำโชคมาให้ถึงสองคณะติดต่อกันฝ่ายคู่อาศาวะกับสมูไทยที่แอบสังเกตเหตุการณ์อยู่ก็เกิดความยินดีร่าเริงสมูไทยถึงกับหัวเราะร่าด้วยความยินดีทั้งนี้เพราะบุคคลทั้ง3นั้นแท้จริงแล้วคือลูกสมุนอีกสามของสมุูไทยนั่นเอง น, นั่นคือ โยบพนามทะความมัวเมาในหนุ่มสาวหนึ่งอารอขยัมทะความมัวเมาในความไม่มีโรคหนึ่งชีวิตตรมทะความเมาในชีวิตหนึ่งซึ่งแอบแฝงเข้าไปในความสุขสดชื่นนี้เองมมทะคือความเมาทั้งสาม อันได้แก่ความเมาในวัยหรือในความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเมาในความไม่มีโรคความเมาในชีวิตทำให้รู้สึกเหมือนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือลูกสมุนที่สมุทไทยได้ส่งมาแทรกซึมเข้าไปในจิตตะนาครททำให้ชาวจิตตะนาครพากันเมาใจไม่นึกเห็นว่ากำลังแก่เจ็บตายถึงร่างกายจะแก่ ใจก็นึกว่าไม่แก่ใจยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอถึงร่างกายจะเจ็บอยู่เป็นประจำก็ไม่นึกว่าเจ็บถึงจะรู้ว่าจะต้องตายก็เหมือนอย่างความตายยังอยู่ห่างไกลมากไม่ต้องนึกถึงเมื่อเมาใจกันดังนี้สัญญาก็วิปราสจิตก็วิปราสทิฏฐิหรือความเห็นก็วิปราสการวิปัาสคือการทาให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์มิใช่อัตตาตัวตนไม่งามว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนงามความจำหมายคิดเห็นไปดังนี้เรียกว่าวิปลาสนนี่คือสมุนของสมุทัยที่ถูกส่งทยอยเข้าไปในจิตตะนครช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันต่อว่า ตกลงแล้วครั้งนี้ฝ่ายคู่บารมีจะเพี้ยงพรำอีกทีหรือไม่ตอนหน้าจะมีเรื่องของสังโยศิสิบค่ะเครื่องผูกใจสัตว์สิบประการห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาติดตามท่องไปในจิตตานครกันต่อนะคะ ช่วงที่แล้วได้ยินคำว่าวิปลาสาใช่ไหมคะคงจะเคยได้ยินคำว่าสัญญาวิปลาสชดิันเองก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะหมายความว่าอย่างไรนะสัญญาวิปลาสชบางทีภาษาธรรมกับภาษาทางโลกก็ไปกันคนละทางเหมือนกันนะคะวิปลาสชคลาดเคลื่อนในที่นี้พระองค์ผู้นิพนธ์ทรงบอกว่าวิปลาสช คือทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มิใช่อัตตาตัวตนไม่งามว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนงามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่งามว่างามนี่คือวิปราสในช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องของโรคจิตค่ะเรื่องของจิตตะวิปราส เรื่องของสั ง, สงโยชน์สินะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผูกจิตผูกใจชาวจิตตนครมานานนักหนาแล้วก็รวมไปถึงไตรภูมิโลกที่ในยุคนี้สมัยนี้มักจะชอบพูดกันเล่นๆว่าที่สุดในสามโลกใช่ไหมคะอร่อยที่สุดในสามโลกสวยที่สุดแซ่บที่สุดในสามโลกสามโลกก็คือไตรภูมิเดี๋ยวเรามาฟังความหมายจริงๆนะคะ กับจิตตนครพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสองบอสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกคับครั้นชาวจิตตนครพากันวิปลาดไปแล้วก็พากันกระชับโซ่ตรวนของสมุไทยที่ผูกอยู่ให้แน่นเข้าอีกเพราะว่าเครื่องผูกเหล่านี้ปรากฏเหมือนอย่างสร้อยทองประดับเพชรหรือมรกตอัน ง, งดงาม จรงสวมประดับคอประดับแขนข้อมือทั้งข้อเท้าเข้าทํานองเห็นกรงจักเป็นดอกบัวอันที่จริงชาวจิตตานะครได้สวมสอดเครื่องผูกต่างๆของสมุทไทยมานานนักหนาแล้วเรียกได้ว่าสวมใส่ด้วยความสมัครใจบางเวลาทําท่าจะสางเมาสางจากความวิปลาสจะเห็นว่าเป็นเครื่องผูกสมุทไทยก็เติมความเมาเข้าไปอีก ทำให้วิปลาสต่อไปอีกอาการวิปลาสนี้เรียกง่ายๆว่าสติวิปลาสเป็นความบ้าชนิดที่ไม่รู้ตัวเองว่าบ้าแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันตลอดจิตตาครเป็นอย่างละเอียดและลึกซึ้งไม่ใช่ชนิดบ้าอานลวาดอย่างที่บรรดาแพทย์ของบ้านเมืองทั่วไปเรียกว่าเป็นโรคจิตชาวจิตตาครไม่เรียกโรคเช่นนั้นว่าอย่างนั้น เรียกว่าเป็นโรคทางสมองตามสมุติฐานห่วงแหนคำว่าจิตเอาไว้ใช้สําหรับจิตตะนครเท่านั้นก็น่าจะห่วงแหนโรคจิตไว้เฉพาะจิตตนครด้วยก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่อเป็นจิตตะนครโรคที่เกิดขึ้นในจิตตะนครก็จะต้องเป็นโรคจิตไม่ใช่โรคทางกายทุกอย่างเว้นไว้แต่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคจิตขึ้นแต่เรียกว่าเป็นเหตุเท่านั้น ส่วนอาการไม่รู้ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่มีโรคเป็นอาการที่คล้ายคลึงกันนี่แหละคือจิตวิปลาสในจิตตนครที่อาศัยพระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปความเมาและวิปลาสอย่างแรงในจิตตนครจึงลดลงตามกำลังของฝ่ายคู่บา ร, รมีผู้นำพุทธศาสนาเข้าไป พักพวกของคู่บารมีได้อย่างรากทานลึกลงเรื่อยเป็นต้นว่าศีลฮิริโอตปะจนถึงสมาธินิมิตต่างๆและโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้นครสามีได้พบความสุขสงบทางใจเกิดความรู้ผุดขึ้นนำให้ถึงระรตะนาตรายเป็นสาระตลอดชีวิตแต่มานศาสนา หรือศาสนาของสมุไทยซึ่งเป็นคู่ปรับกันก็ยังแรงและสมุไทยก็รู้วิธีรักษาและแพ่ศาสนาคลายแม่ทัพผู้ฉลาดที่ใช้ยุทธวิธีอันแยบยนจะกล่าวถึงเครื่องผูกของสมุไทยที่รอบผูกจิตผูกใจชาวจิตตานครมานานนักหนาแล้วผูกเอาไว้อย่างลึกซึ้งโดยที่ชาวจิตตานครเอง ก็ไม่รู้ว่าได้ถูกผูกเอาไว้มีเพียงพระบรมครูเท่านั้นที่ทรงทราบและได้ตรัสบอกแกคู่บารมีว่ามีอยู่สิบเรียกว่าสังโยชน์ที่แปลว่าเครื่องผูกใจสัตว์นั่นก็คือหนึ่งสักกายทิฐิความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกลกาย 2. วิจิกิจฉาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนสศีละพะตะปรามาตรความถือศีลและวัดต่างๆด้วยความปรารถนาผลมีลาบเป็นต้นหรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ 4. กามราคะความยินดีด้วยอำนาจกิเลสกาม 5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแห่งจิตหรือความหงุดหงิด 6. รูปปาราคะความติดอยู่ในรูปประธรรมเช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในรูปประชาน 7. อารูปปาราคะความติดอยู่ในอรูปประธรรมเช่นในสุขเวทนาหรือในอรูป 8. มานะความสําคัญว่ายังมีเรา อุทธัจักความคิดพลานและ1ิบอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะทั้งหลายสังโยชน์เหล่านี้สมุทัยมอบให้อยู่ในสังกัดของคู่อาสวะโดยตรงทั้งเป็นสหายสนิทของคู่อาสวะตั้งแต่ 1-5 ถึงเป็นพวกขั้นต่าคือหยาบก็คือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพตตะ ปรามาตรการมราคะแล้วก็ปฏิคะส่วนตั้งแต่6 1ถึงเป็นพวกชั้นสูงคือละเอียดเรียกว่าอุทธรรมภพาคยะแปลว่าส่วนบนก็คือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทธจัตและอวิชาคำว่าส่วนล่างส่วนบนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผูกที่ร่างกายส่วนล่างและส่วนบนแต่หมายความว่าหยาบและละเอียด หรือตื้นและลึกซึ้งเข้าไปโดยลำดับเครื่องผูกเหล่านี้เป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นมากตัดให้ขาดได้ยากที่สุดแม้ที่เป็นอย่างหยาบแต่ก็ละเอียดจนมองด้วยตาไม่เห็นถึงตาทิพย์ของเทพก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพุทธจักสุหรือปัญญาจักสุทรงสอนวิธีตัดเครื่องผูกเหล่านี้ให้ขาดได้จริง ใครที่ตัดได้จะพ้นจากอำนาจสมุทยไปโดยลำดับเมื่อตัดได้หมดก็พ้นได้สิ้นเชิงแต่สมุทัยมีวิธีหลายอย่างนักที่จะรักษาอำนาจของตนเช่นวิธีทำให้วนเวียนวิธีทำให้เนิ่นช้าวิธีแบ่งเขตยึดครองวิธีแทรกซึมบ่อนทําลาย จนถึงวิธีโจมตีอย่างเปิดเผยสมุทัยจึงน่ากลัวนักมีอันตรายร้ายแรงหนักนอกจากนี้วิธีทำให้บนเวียนของสมุทัยคือการสร้างวงกลมใหญ่กลางเมืองจิตตนครที่กล่าวได้ว่าเป็นวงเวียนกลมใหญ่ที่สุดในโลกได้สร้างทางเป็นเส้นรอบวงกลมมีทางซอยตัดผ่านกันอีกมากมาย ได้สร้างภูมิต่างๆไว้ที่เส้นทางรอบวงกลมนั้นครบถ้วนถ้านับมนุษยภูมิเป็นกลางต่ำลงไปก็มีอบายภูมิต่างๆคือนรกสัตว์ดิรัดฉานแดนเปรตอสุรกายแดนผีชนิดที่ตกต่ำนานาชนิดภูมิมนุษย์เองก็แบ่งกันเป็นประเทศต่างๆเป็นบุคคลชั้นต่างๆมีหน้าที่ต่างๆพากันสร้างบ้านเรือน ถนนหนทางปราสาทราชวังวัดอวาอารามและสิ่งของเครื่องใช้หลายหลากมากมายมีภูมิประเทศที่สวยงามโดยธรรมชาติและโดยตกแต่งเป็นสวนเป็นสระเป็นอ่างเก็บน้ำํำที่มีขนาดใหญ่มหือมาและอื่นๆมากมายเหลือที่จะพรรณน า, นาและที่ยิ่งกว่าภูมิมนุษย์ก็คือภูมิสวรรค์ชั้นกามาวาจรที่เรียกว่าเทวโลก และชั้นรูปาวจรอารูปาวจรที่เรียกว่าพรหมโลกล้วนแล้วเต็มไปด้วยของทิพย์อันแสนจะละเอียดประณีตชนิดที่ไม่อาจจะนำสิ่งอะไรในโลกมนุษย์นี้เทียบได้ภูมิประเทศในสวรรค์ก็สวยสดงดงามโปรงน่ารื่นรมยินดีมีทิพยพยาวิมานสถิตยอยู่ในที่อันเหมาะสมวิ จ, จิตตรการตาตรึงตาตรึงใจละเอียดประนีด ขึ้นไปเป็นชั้นๆรวมเข้าเป็นไตรภูมิคือกามาวาจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในกามรูปาวาจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในรูปอรูปาวาจรภูมิภูมิที่เที่ยวไปในอรูปสมุทัยได้สร้างเอาไว้ครบทุกภูมิและได้สร้างสัตว์โลกประจําภูมิต่างๆอีกมากมายนับไม่ถ้วนในนรก ก็มีสัตว์นรกชนิดต่างๆในคุ้มต่างๆแดนต่างๆนับไม่ถ้วนในกําเนิดเดรัจฉานก็มีสัตว์เดรัจฉานนับไม่ถ้วนในทินเปรตทินอสุรกายทินผีที่ต่ำต้อยต่างๆก็มีมากมายนับไม่ถ้วนจนถึงพลัดเข้าไปในแดนมนุษย์เที่ยวแสดงตนขอส่วนบุญหรือที่มนุษย์พากันกล่าวหาว่าผีหลอกทั้งที่ น่าจะไม่ได้คิดว่าจะมาหลอกคือไปขอส่วนบุญในขณะที่มนุษย์เองก็มีมนุษย์เกิดมามากมายจนมีปัญหาว่ามนุษย์จะล้นโลกจะไม่มีอาหารพอเลี้ยงกันบ้างเมื่อก่อนนี้มนุษย์มีน้อยแต่เดี๋ยวนี้มีมากวิญญาณมาจากไหนกันวิญญาณเพิ่มขึ้นได้หรือในถินสวร์ชั้นเทวโลกพรหมโลก ก็มีเทพพยายดาพรมแต่ละชั้นบางท่านก็บอกว่าพยามาณ น, นั้นครองอยู่สวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นถิ่นเทพชั้นสูงสุดเป็นพยาที่ครองอยู่กึงงกก่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งมีอีกพยาหนึ่งครองอยู่ซึ่งก็นับว่าแปลกแต่ถ้าคิดดูทํานองเป็นปริศนาธรรมก็ไม่น่าแปลกมีเหตุผลภูมิโลกทั้งหมดนี้มานครองใจอยู่ทั้งหมดจึงกําหนดให้พยามาณ สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดที่จะดูแลลงลงมาและขึ้นไปทั่วถึงชั้นที่มาสถิตนั้นนับว่ากึ่งกลางส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นนับถือพระบร ม, มครูสมุทัยได้สร้างไตรภูมิโลกดังกล่าวภายในวงกลมใหญ่เมื่อฮมากลางเมืองจิตตานครเรียงรายเป็นประเบียบที่เส้นทางรอบวงกลมแต่แม้สมุทัยจะสร้างวงเวียนใหญ่โตเพียงใด เพื่อหลอกให้ชาวจิตตนครวนเวียนไม่อาจหลุดพ้นจากอำนาจของตนได้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นวงเวียนนั้นโดยละเอียดทีท่วนด้วยพุทธจักสุหรือปัญญาจักสุและได้ทรงแสดงไว้อย่างเปิดเผยแก่เวนยนิกรทั้งหลายการที่สมุทัยสามารถจัดแสดงได้อย่างละเอียด แล้วก็ซับซ้อนเช่นนี้เป็นเพราะมีนายช่างซึ่งมีความสามารถที่จะสร้างได้อย่างวิเศษนายช่างผู้นี้มีชื่อสั้นๆว่ากรรมกรรมเป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกทั้งหมดแต่กรรมเป็นผู้สร้างขึ้นตามแบบแปรนตามแผนผังที่มีนายช่างอีกผู้หนึ่งเขียนขึ้นนายช่างผู้เขียนแบบแบลนแผนผังนี้มีชื่อว่ากิเล กิเลสเป็นผู้เขียนแบบแปลนแผนผังไตรภูมิโลกขึ้นทั้งหมดแล้วกรรมก็เป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกขึ้นกิเลสและกรรมทั้งสองนี้ถือเป็นนายช่างคู่สำคัญที่สุดของสมุทัยซึ่งรวมกันสร้างวงเวียนกลมใหญ่และไตรภูมิโลกเรียงรายอยู่ในวงเวียนกลมใหญ่นี้แม้สมุทัยจะปกปิดความจริงในเรื่องนี้มาตลอด แต่ก็ไม่อาจจะปกปิดองค์พระบรมครูได้องค์ทรงทราบและได้ตรัสบอกไว้ว่าไตรภูมิโลกนี้คือวิบากถึงจะมีมากมายก็รวมอยู่ในคำว่าวิบากคำเดียวรวมกับนายช่างผู้เขียนแบบและผู้สร้างก็เป็นสามคือกิเลสกรรมวิบากทรงแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรม เป็นเหตุท่งวิบากและวิบากก็เป็นเหตุก่อกิเลส ข, ขึ้นอีกจึงวนเวียนอยู่เช่นนี้สมุทยัยได้จัดงานสังสารวัตรเป็นการแสดงนิทรรศาการไตรภูมิโลกเพื่อชักชวนคนให้เที่ยวชมนิทรรศาการไตรภูมิโลกและเมื่อใครได้ชมก็จะติดใจวนเวียนท่องเที่ยวไปไ ป, ไปมามาไม่ยอมพระไปอีก สมกับชื่อของงานที่เรียกว่าสังสารวัตรที่แปลว่าวนเวียนท่องเที่ยวไปชาวจิตตนครได้พากันเข้าไปเที่ยวชมนิทรศการไตรภูมิโลกในงานของสังสารวัตรที่สมุทยจัดขึ้นแน่นขนัดไปหมดและพากันหลงไหลวนเวียนท่องเที่ยวไปในภูมิต่างๆอย่างไม่อิ่ม ไม่เบื่อถึงจะวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังไม่เบื่ออยากจะเที่ยวไปอยู่อีกนั่นเองนับเป็นความสามารถอย่างยอดเยี่ยมของนายช่างสถาปนิกผู้ออกแบบคือกิเลสและนายช่างผู้สร้างคือกรรมซึ่งสร้างผลวิปากออกมาคือไตรภูมิโลกชาวจิตตนคอนั้นไม่มีความสงสัยอย่างที่ชาวโลกเป็นอันมากสงสัยกัน ว, วิญญาณมาจากไหนจึงเกิดมาเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นจนแทบจะล้นโลกเพราะได้เห็นนิทศการไตรภูมิโลกและทุกภูมิมีวิญญาณหรือผู้เกิดในภูมินั้นนันนบไม่ถ้วนเมื่อเทียบกันเข้าแล้วมนุษย์ภูมิก็เท่ากับใบไม้หยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าทั้งสิ้นและทุกวิญญาณไปถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งได้ทั้งนั้น สุดแต่จะได้บ้านที่กิเลสและกรรมสร้างขึ้นในภูมิไหนสมุทัยภูมิใจในนายช่างทั้งสองและในไตรภูมิโลกที่พระบรมครูทรงเรียกว่าวิบากยิ่งนักและเมื่อได้เห็นชาวจิตตานครเกือบทั้งเมืองพากันท่องเที่ยววนเวียนติดอยู่ในไตรภูมิแน่นขนาดก็ยิ่งร่าเริงเพราะได้เห็นผลสําเร็จอย่างงดงามของตน ตอนหน้าจะเป็นบทที่ชื่อว่าวัตตะและมายาพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง